พอเนี้จะพูดธรรมะให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศัทธามีความเรื่มใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาบารมีให้มีความแก่กล้าเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อจะได้ใช้ในการ ดับความทุกข์ใช้ในการฆ่ากิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปการฟังธรรมถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนิ่งร่างกายก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร วาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีสติจดจอ่อเฝ้าอยู่กับเสียงที่มาสัมผัสกับหูถ้าทาที่แสดงสามารถที่จะพิจารณาตามได้ก็พิจารณาตามถ้าพิจารณาตามไม่ได้ ไม่เข้าใจก็ให้ฟังเสียงไปเรื่อยๆถ้าฟังเสียงไปเรื่อยๆเสียงธรรมก็จะกล่อมให้จิตสงบเป็นสมาธิถ้าพิจารณาตามได้ตามเหตุตามผลที่แสดงไว้ได้ก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องก็จะสามารถ ลบล้างความเห็นผิดเป็นชอบได้เห็นกงจับเป็นดอกบัวได้เช่นความเห็นที่ว่าชีวิตของเรานี่มีตัวมีตนเป็นตัวเราเป็นของเราความจริงแล้วชีวิตของเรานี่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ ม, ม, มีเราไม่มีเป็นของเราไม่ใช่เป็นของเรา อะไรคือชีวิตของเราอะไรคือส่วนประกอบของชีวิตของเราชีวิตของเราก็ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกันคือร่างกายกับจิตใจไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานก็มีส่วนประกอบเหมือนกันมีร่างกายและจิตใจร่างกายก็มีส่วนประกอบสามสิบสอง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 น้ำไขข้อนี่คือส่วนประกอบของร่างกายมีสามสองส่วนด้วยกันถ้าพิจารณาทีละส่วนแยกออกมาทีละส่วนก็จะไม่เห็นว่ามีตัวตนอยู่ในส่วนเหล่านี้ผมก็ไม่มีตัวตนขนก็ไม่มีตัวตนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่มีตัวตนเป็นเพียงอาการที่ ทำมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็มาในรูปของอาหารต่างๆเช่นข้าวผักเนื้อน้ำที่ดื่มแบบนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อมาผสมกันในร่างกายก็มากลายเป็นอาการ32อาการ32นี้ก็ มีคุณลักษณะอยู่สามประการคืออันนี้ยังไม่เที่ยวไม่ไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงมามาตั้งแต่เริ่มมีการาผสมกันของธาตุของแม่และของพ่อเมื่อมารวมกันก็เกิดการเพราะ ก่อตัวขึ้นมาก็อาการแตละอาการก็ปรากฏขึ้นมาจนครบสามสิบสองแล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็จเจริญเติบโตร่างกายก็ใหญ่ขึ้นไปโตขึ้นไปจนถึงถึงขั้นสูงสุดจเจริญเติบโตถึงขั้นสูงสุดก็เริ่มมีอาการเสื่อม มีการนับถอยหลังอาการร่างกายก็จะอ่อนลงไปกาลังวังชาในร่างกายก็จะอ่อนลงไปโครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปไเรด้วยอาการทารที่สองบางอาการก็จะเริ่มชํานุำำนซึ่งใช้งานไม่ได้แล้วใช้ได้ไม่เท่าไม่ดีเท่าที่ ตอนที่ได้มาใหม่ๆในที่สุดร่างกายนี้ก็จะหยุดทํางานอาการสาสุสองก็จะหยุดทํางานเช่นหัวใจหยุดเต้นปอดหยุดสูบอากาศลมเข้าออกน้าที่เข้าออกก็จะหยุดทํางานมีแต่จะไหล แยกออกจากกันถ้าคนตายร่างกายนี้ตายแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆสิ่งแรกที่จะออกไปก็คือไฟร่างกายก็จะเย็นตามด้วยลมคือกลิ่นต่างๆที่เราลอยออกจากร่างกายตามด้วยน้ําน้ําก็จะไหลยแยกออกไปจนกระทั่งไม่มีน้ําไม่มีลมไม่มีไฟหลงเหลืออยู่ เลือแต่ส่วนที่เป็นดินที่จใช้กรอบและเปื่อยผุพังไปกลายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือส่วนประกอบของร่างกายเรียกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงอนิจจ์อนัตตาไม่มีตัวตนในดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนในอาการสามสิบสองส่วนประกอบ อีกส่วนคือใจใจนี้ก็มีอาการสี่ประการเหมือนกับอาการส2สองของร่างกายอาการของใจสอาการนี้คืออะไรก็คือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผทตภะ ที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายและทาอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาในใจด้ยวยความวิญญาณตัวรับรูอ้อาการทั้งสี่อาการนี้ก็ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเวทนาก็มีสุขบ้าง ทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างเป็นนัตตาสั่งไม่ได้สั่งให้สุขอย่างเดียวไม่ได้สั่งไม่ให้ทุกไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาหิวน้ําหิวข้าวก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาได้ดื่มน้ําได้รับประธานอาหารทุกขเวทนาก็จะหายไปนี่เรียกว่าทุกขเวทนาทางร่างกาย <c oughs> แล้วก็ยังมีทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนี่เกิดจากความอยากอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็ทุกข์ใจอยากมีอยากเป็นไม่ได้มีไม่ได้เป็นก็ทุกข์ใจอยากให้สิ่งที่มีอยู่ไม่จากไปพอทําไม่ได้ก็ทุกข์ใจนี่เรียกว่าทุกข์ทางใจ เกิดจากความอยากความอยากนี่มาจากอะไรก็มาจากความคิดปรุงแต่งนี้เองมาจากสัญญาความจำได้หมายรู้ที่จำไม่ถูกสัญญานี้เป็นผู้รับเรื่องที่ส่งมาทางวิญญาณวิญญาณรับเรื่องที่ส่งมาทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเช่นพอตาเห็นรูป ก, ก็จะเกิดจักขูวิญญาณขึ้นมา วิญญาณก็จะส่งรูปนี้มาให้สัญญาสัญญาก็จะค้นหาดูว่าเคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือเปล่ารูปนี้เป็นใครจาได้ไหมถ้าจาได้ก็รู้ว่า เ, ออเป็นลูปของนายกอนายขอนางสาวงอนางสาวตออย่างนี้ไม่คือหน้าที่ของสัญญาพอสัญญาเห็นจาได้แล้ว ก็จะจำได้ว่าดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าดีก็จะทำให้เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งตัณหาความอยากได้ขึ้นมาเห็นเงินปับก็อยากได้ขึ้นมาเห็นยศปับก็อยากจะได้ขึ้นมาเห็นสนรรเสริญก็อยากจะได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่ถูก อ, อกถูกใจก็อยากได้ พออยากแล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์ใจขณะที่อยากใจก็ไม่เนิ่งใจก็ไม่สงบกวลกาวายนี่คือหน้าที่ของสัญญาที่ทําหน้าที่ทําให้เกิดตัณหาขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ว่าสัญญานี้เป็นสัญญาที่ไม่ถูก ไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องไม่ได้มีความจำสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวตนจำสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขจำสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงนี่คือสัญญาเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมเพื่อมาแก้สัญญาตัวนี้มาเปลี่ยนจากการเห็นว่าสุขว่าให้เห็นว่าเป็นทุกข์จากการเห็นว่านิจจัง ให้เห็นว่าเป็นอนิจจงจากการเห็นว่าเป็นอัตตาว่าเป็นอนัตตาเช่นเห็นร่างกายนี้เป็นอัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็ต้องมาสอนใจสอนสัญญาใหม่ให้สัญญามองว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองมาจากดินน้ำลงไส่ไม่สวยงามสกปรก เป็นปฏิกูลมีสิ่งสปกปรกเช่นน้ำมูดน้ำคูดน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สะอาดน่ารังเกียจมีอยู่ในร่างกายอันนี้อาการอาวัยวะต่างๆภายในร่างกายก็ไม่สวยงามเช่นโครงกระดูกกระโหลกศีรษะแต่พอถูกหนังหุ้มห่ออยู่ ก็เลยมองได้เห็นกันก็เลยเกิดความหลงรักเกิดความชอบในหนังที่หุ้มหัออาการสาสิบสองนี้พอเกิดความรักความชอบก็เกิดตัณหาความอยากเช่นการว่าตัณหาความอยากในกลางพอเห็นรูปที่ถูก อ, อกถูกใจก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาอยากจะ ได้รูปนั้นมาเสพมาสัมผัสเวลาเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวพอไม่ได้เสพแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็จะมีความอยากจะเสพขึ้นมาใหม่เวลาใดที่ได้เสพก็จะมีความสุขเวลาใดที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือสัญญาที่ทำงานตามอนาจตามอนาจของความหลงโมหะหลงเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้เจริญทถาวอนจะอยู่ไปนานๆไม่มีวันตายอันนี้จึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เวลาที่ร่างกายไม่ได้เป็นไปตามที่เห็นเวลาเห็นร่างกายแก่ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเห็นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเห็นร่างกายตายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงก็ต้องสอนสัญญาใหม่ สอนให้สัญญามองว่าร่างกานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาให้สัญญามองว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ใจได้มาสัมผัสรับรู้ก็จะต้องมีการพัดพาคจากกันไปไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาญาตสนิทมิตรสหายไม่ว่าจะเป็นราบยศสนรเสริญ รูกเสียงกลิ่นรสผลท พ, พะชนิดต่างๆของเหล่านี้เป็นของชั่วข่าวเป็นของที่ทํามาจากดินน้ํำลมฝัไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านี้สัตว์และบุคคล น, นี้เกิดจากความหลงที่มาสมมุติสมมุติกันขึ้นมา ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นญาติสนิทไม่เสหาย<แ>เป็นตัวเรา<แ>เป็นของเราความจริงแล้วของต่างๆทั้งหมดนี้มาจากดินน้ำล<แ>มไฟทั้งนั้นมาจากธาตุสี่ล้วก็จะกลับคืนสู่ธาตุสี่ไปในที่สุดนี่คือสัญญาที่ถูกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สัญญาที่ผิดก็คือไิ่ฉาทิจิที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเกิดตัณหาความอยากอยากให้สิ่งต่างๆอยู่ไปนานๆอยากให้สิ่งต่างๆให้ความสุขไปนานๆ อยากให้สิ่งต่างๆเป็นของเราเป็นนานแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆก็ต้องหมดไปสิ่งต่างๆความสุขต่างๆที่ได้รับจากสิ่งต่างๆก็จะต้องหมดไปสิ่งต่างๆที่เป็นของเราก็จะต้องหมดไปดังนั้นถ้าไม่อยากจะทุก ไม่อยากที่จะให้สังขารคิดไปในทางตัณหาความอยากก็ต้องมองให้เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราต้องเห็นว่ามันทุกข์มันไม่สุขต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ท้าวรนถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะตัณหาก็จะไม่คิดไปในสังขารก็จะไม่คิดไปในทางตัณหาอยากได้แล้ว อ, อยากไม่ได้ ก็จะปล่อยวางตามความเป็นจริงร่างกายไม่เที่ยงอยากจะแก่อยากจะเจ็บอยากจะตายก็ปล่อยมันไปร่างกายไม่สวยไม่งามสกรปรกก็รู้ทันไม่หลอกตัวเองว่าสวยงามว่าน่ารักน้าน่าอยู่ด้วยน่าอยู่ใกล้ชิดด้วยถ้าเห็นความเป็นจริงแล้วจะไม่อยากจะอยู่ใกล้ใคร พอไม่อยากจะอยู่ใกล้โครงกระดูกไม่อยากจะอยู่กับผีดิบเพอร่างกายนี้เวลายังไม่ตายก็คือผีดิบผีสดนี่เอก็คือมีโครงกระดูกมีหนังหุ้มหอ่อปิดกั้นเอาไว้พอตายแล้วผีจริงก็โผล่ขึ้นมาหนังพอนหนังพอนหนังเหี่ยวหนังผุหนังเปื่อยก็หลงศีรษะ ทองกระดูกก็จะปรากฏให้เห็นนี่แหละคือชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นในในร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงมีสิ่งเดียวที่เที่ยงที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือใจใจตัวนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ใจมีอาการสามชิตมีอาการสีอาการที่ทํางาน ผลิตความทุกข์ใ้กับใจคือมีสัญญาที่ไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจากเป็นดอกบัวแล้วก็ทําให้สังขารคิดปรุงแต่งให้เกิดกาม m ตัณหาภวะตัณหาและวิภวตัณหาขึ้นมาพอมีการปรุงแต่งให้เกิดกาม m ตัณห า, ะะหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ตอมานใจขึ้นมา ถ้านำมาเาธรรมะคำสอนของพพระพุทธเจ้ามาแก้สัญญามาทำให้สัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาให้เห็นว่าร่างกายของทุกๆคนนั้นเป็นอสุภะไม่สวยงามเป็นปฏิกรูสกปรกก็จะทำให้สังขารไม่คิดไปในทางการมาตัตหาภาวะตันหาและวิภวะตันหา พอสังขารไม่คิดไปในทางตัณหาทั้งสามทุก็จะไม่เกิดขึ้นมาภายในใจนี่แหละคืองานของทางพระพุทธศาสนามีเท่านี้เองคือมาสอนใจสอนสัญญาไม่ให้เห็นผิดเป็นชอบไม่ให้เห็นกงจากเป็นดอกบัวไม่ให้เห็นนุ่สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง ไม่ให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามไม่ให้เห็นสิ่งที่สกปรกว่าสะอาดถ้าเห็นอย่างนี้แล้วสังขารขัง ค, คิดตุ่งแต่งไปในทางตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นมาเวลาอะไรจะดับก็จะไม่เดือดร้อน เวลาเวลาอะไรจะกลายเป็นอสุภะก็ไม่เดือดร้อนเวลาเห็นหน้าตาหนังหิวเหี่ยวย่นไปก็จะไม่เดือดร้อนเวลาเห็นผมขาวผมร่วงก็จะไม่เดือดร้อนเพราะมีสัญญาที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องที่เห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ลงไปผมจะต้องขาว ผมจะต้องเหี่ยวหนังจะต้องเหี่ยวผมจะต้องร่วงร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะต้องผลิตทุกขเวทนาขึ้นมาปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้จนในที่สุดร่างกายก็จะหยุดหายใจถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีสอนสอนสัญญาให้มองไปตามความจริง ใจก็จะสัญญาก็จะไม่สั่งให้สังขารคิดไปนในทางการมัตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะหาเมื่อไม่มีการมัตัณหาภวตัณหาวิภาวะตัณห า, ะะหาใจก็ไม่มีความทุกข์ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านพิจารณาความจริง จนความตลอมนี้ถูกทำลายหายไปหมดความเห็นที่ว่าเป็นตัวเราของเราหายไปหมดความเห็นว่าเป็นสุขนี้หายไปหมดความเห็นว่าสวยงามน่ารักสะอาดหายไปหมดความเห็นว่ากีรังทาวรอนี่หายไปหมดจะเห็นแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นแต่อสิภาจะเห็นแต่ปฏิกูู จะเห็นแต่ดินน้ำลมไฟจะไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกนายขอเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเห็นก็ไม่หลงรู้ว่าเป็นเพียงสมมติเหมือนกับป้ายที่เราติดไว้เวลาเราไปประชุมคนอยากให้เขารู้ว่าเราชื่ออะไรเราก็ติดป้ายไว้ ร่างกายนี้ก็เลยมีชื่อขึ้นมาชื่อนางสาวนายกนายขอนายดิบนายดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นเพยงชื่อเท่านั้นเองถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้สมัยนี้พอหมอทำนายว่าชื่อนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนอีกชื่อหนึ่งจะเปลี่ยนอีกร้อยชื่อพันชื่อมันก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรอกเพราะคนดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อ มันอยู่ที่การกระทําทําชั่วแล้วมันจะดีได้องไงคนที่ชื่อดีๆนี่ติดคุกติดตารางมีเยอะยอะไปเพราะว่าชื่อมันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้คนดีในการกระทําทําให้คนดีถ้าไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําบาปทํากรรมจะไปติดคุกติดตารางได้อย่างไรอต่ ความหลงความมืดบอดความเห็นผิดเป็นชอบอยากได้ดีแบบงา่ายๆเวลาใครบอกให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะหลงเชื่อเขาถูกเขาหลอกโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่แท้อย่างแท้จริงถือแต่ปากเหมือนนกแก้ว นกแก้วก็ล้องแก้วจา๋าแก้วจา๋าเป็นสรณะพอยื่นแก้วให้ก็ไม่เอาพอยื่นกล้วยให้ก็คว้ามับเลยพวกที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงเหมือนนอกแก้วก็เหมือนกันพอบอกให้ทําบุญลบาปให้ชําระใจให้สะอาดบอยสุดก็โยนทิ้งเลยไม่เอาพอโยนราบยกฉรเสริญให้นีก็คว้ามับเลยยึดเป็นสรณะอย่าง เหนียวแน่นเลยสมัยนี้โลกนี้เขายึดอะไรเป็นสาณะกันถ้าไม่ยึดเงินทองเงินทองเป็นพระเจ้าในเงินของของสหรัฐเงินดอดลลาร์เขาเขียนไว้เลยว่าเรานับถือพระเจ้าเราเชื่อถือพระพุธเราเชื่อถือพระเจ้ า, านั่นนนัเองเราถือพระเจ้าเป็นสาระพระเจ้าก็คือเงินนี่เองเงินดอดลลาร์ คนสบายนี้ถูกความหลงหลอกให้เห็นกลงจากเป็นดอกบัวให้เห็นว่าเงินนี่เป็นเหมือนกลงที่เป็นเหมือนกลงจากนี้เป็นดอกบัวพอไปยึดเงินทองเป็นสาระเป็นที่พึ่งก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจทุกในการหาทุกในการดูแลรักษาทุกเวลาที่สูญเสียมันไปมองไม่เห็นทุกข์กัน กับมองเห็นความสุขนิดเดียวเห็นความสุขตอนที่ได้เงินมาดีอกดีใจเห็นความสุขตอนที่ได้ใช้เงินว่าได้ใช้เงินและได้ซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ไม่เห็นว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงทำเส็จแล้วความสุขนั้นยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือหายไปหมดแล้วได้ดูได้ฟังแล้วความสุขที่เกิดจากการได้ดูได้ฟังนี้ยังอยู่ต่อไปหรือเปล่า ด้วยจางหายไปเหมือนควันไฟถึงต้องดูต้องฟังอยู่เรื่อยๆดูภาพยนต์เรื่องนี้แล้วก็อยากจะดูอีกเรื่องหนึง่งฟังเพลงเพลงนี้แล้วก็ยังจะจะฟังอีกเพลงหนึง่งมีแฟนคนนี้แล้วก็อยากจะมีแฟนอีกคนห น, นึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วมันจะเป็นความสุขได้อย่างไร มันเป็นความทุกข์อย่างที่เขเรียกว่าทุกขลาภพ อ, อได้เงินได้ทอมาแล้วทีนี้วุ่นวายแนละ้วเดือดร้อนแนละ้วต้องคอยดูแลรักษาต้องหวงต้องห่วงต้องคอยหนีคนที่จะมาขอมายืมมารักมาขโมยอยู่ไม่เป็นสุขนี่คือความหนุงที่ไปยึด ลาบยศสารเสริญไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสเป็นสาระไม่ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระถ้ายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระก็ต้องปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือต้องทำบุญต้องละบาปต้องชำระกิเลสตัหาความโลภความอยากความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจผู้ที่ ยึดและปฏิบัติตามพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์ได้ก็จะมีสาระที่เพื่อนที่แท้จริงจะไม่มีความทุกข์ใจเลยเพราะเพราะว่าไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมานั่นเองเพราะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว เห็นว่าราบยศสรรเสริญเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระต่างๆเป็นสุคนี้เองพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ไม่ยึดไม่แสวงหาราบยศสรรเสริญไม่แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาเช่นภาษาวกทั้งหลายเมื่อก่อนก็แสวงหาราบยศสรรเสริญกันตอนที่เป็นคำว่าตอนที่ยังไม่ได้บวช แต่พอได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่อเห็นตามเห็นว่าราบยศสารเสริญเป็นทุกข์รูปเสียงกินลมดพุทธะเป็นทุกข์อย่าเข้าใกล้อยากไปหามาันก็เลยสละราบยศสารเสริญสละรูปเสียงกิลมดพุทธะไปหมดเลยมีมากมีน้อยก็สละไปหมดเลยแล้วก็เข้าป่าเข้าเขาไป ไปบวชไปลักษาศีลไปละบาปทำบุญก็คือการฉละดาะยศสลเสริมทำบุญแล้วก็ละบาปรักษาศีลทำการกระทําของตนทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤดผิดตัวเวณีไม่เสพกามไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพอบายามุขต่างๆ เช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิจฉความเกียรติกลางสละไปหมดของพวกนี้มารักษาสีให้บริสุทธิ์แล้วก็มาทําใจให้สงบเพราะถ้าใจไม่สงบนี้จะมองไม่เห็นความจริงจะมองไม่เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกจะมองไม่เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจะมองไม่เห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเรา ต้องทำใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วก็เป็นเหมือนน้าที่ใสน้านิ่งที่ใสสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้าก็จะเห็นชัดเห็นว่าเห็นปูเห็นสาหรายเห็นอะไรต่างๆที่อยู่ภายในน้ำได้เพราะน้ำใสใจก็เหมือนกันถ้าใจสงบแล้วใจก็จะเห็นตั้หาความอยาก ว่าเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเห็นแล้วว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเหมือนกับท่านรู้ว่ากินอาหารชนิดนี้แล้วจะทำให้ถ่ายท้องแต่ไม่ปวดท้องขาวต่อไปก็จะไม่กินแล้วมีใครอยากจะปวดท้องอยากจะถ่ายท้องกันบ้างอตาที่ ยังกินอยู่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ต้องถ่ายทองนั่นเองนะคันใดการที่ยังมีความอยากอยู่ก็เพราะว่ายังไม่เห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจก็ยังอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้นั่นอยากไม่ได้นี่ พอมีความอยากเหล่านี้ก็เลยมีความทุกข์เพราะว่าไม่เห็นความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากถึงแม้จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพ่อพระพเจ้าแต่มันก็ไม่มีกําลังพอที่จะสู้กับความหลงเพราะเวลาฟังก็ฟังครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ความหลงนี่จะมาคอยกระเซ็บมาหลอกให้อยากอยู่เรื่อยๆ พอฟังเทศจะเสร็จไปออกจากที่นี่ไปเดี๋ยวก็ก็เสพไปหาอะไรกินกันแล้วหาอะไรดื่มกันแล้วพอถูกความหลงหลอกให้ไปหาก็ไปกันแล้วไปหารูปเสียงกลิ่นรสปวดตาไปหาราบยศสารเสริญกันต่อเพราะใจไม่สงบใจไม่เห็นว่าเวลาเกิดความอย่างนี้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะใจทุกข์อยู่ตลอดเวลา อยู่กับความอยากตลอดเวลาแต่เวลาในที่ใจสงบแล้วความอยากหยุดทำงานไปชั่วคราวจะพบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนจะรู้ว่าอ๋อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ใจเราไม่มีไม่เคยมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาความสุขก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หลอกเป็นเพียงความดีใจไม่ใช่เป็นความสงบ แต่พอดำใจให้สงบนี่จะเห็นความสุขที่แท้จริงแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นมาทันทีนการทำใจให้สงบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติต่อการกำจัดความทุกต่อการกำจัดตันหาความอยากให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีความสงบแล้วจะมองไม่เห็น ความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากดังนั้นจึงต้องหมัน่นเจริญสมาธิหมั่นทําใจให้สงบให้มากๆและทำที่จะทําให้ใจสงบนี้ก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างยิ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในป่า รอยเท้าช้าง น, นี้ครอบรอยเท้าของสัตว์ป่าทั้งหมดได้สติก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายสำคัญกว่าสมาธิสำคัญกว่าปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีสติสมาธิจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิปัญญาที่จะเห็นทุกข์ว่าเกิดจากกัรหาความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติให้ก้าวหน้าก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเ ว, เวลาให้กับการเจริญสติสร้างสติขึ้นมาให้มีกำลังแก่กล้าเพื่อที่จะหยุดความคิดผุ้งแต่งของใจให้ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดเลือเล่อยเปื่อยคิดอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลคิดเพ้อเจ้อคิดตามอารมณ์อย่างนี้ ทำไปแล้วจะไม่เป็นประโยชน์เพราะจะไม่ทําให้ใจสงบแต่จะกลับทําให้ใจพุ่งสร้างมากขึ้นทําให้ใจวุ่นวายมากขึ้นทําให้ใจมีความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดได้ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายความวุ่นวายก็จะน้อยลงไปความพุ่งสร้างก็จะเบาบางลงไป จนหมดไปเวลาจิตสงบเต็มที่แล้วความฟุ้งซ่านหายไปหมดความกังวลกังวายใจหายไปหมดความทุกข์ต่างๆหายไปหมดความอยากต่างๆหายไปหมดเหลือแต่ศัก์แต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาใจเป็นกลางใจเป็นใจเฉยใจไม่ยินดียินร้ายไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไร ได้มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพออันนี้เป็นผลที่จะเกิดจากการเจริญสติควบคุมความคิดคือสังขารปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดด้วยอุบายของสติซึ่งมีหลากหลายวิธีด้วยกันวิธีที่เรารู้จักกันได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากที่สุดก็คือพุทธานุสติคือเราเล็กถึงพระพุทธคุณหรือเราเล็กถึงชื่อของพระพุทธเจ้า เช่นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเราเลิกถึงชื่อของพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อารมณ์ต่างๆที่เกิดจากความคิดปนแต่งก็จะจางหายไปทําให้ใจว่างใจเย็นใจสงบใจสบายนี่แหละคือการเจรานสติเพื่อที่จะได้มีสมาธิ พอมีสมาธิแล้วนี่เวลาเกิดตัญหาความอยากขึ้นมา น, นี้จะเห็นน่อยเหมือนกับน้ําที่นิ่งเวลามีปลาอาขยับหน่อยเท่านั้นเองขยับในน้ําก็จะเห็นลูกคลื่นโผล่ขึ้ น, นจะมีลูกคลื่นยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาใจสงบแล้วพอเกิดความอยากนี้ใจจะกระเพิ่มขึ้นมาจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา พอเห็นอย่างนี้ก็รู้เลยว่าความอยากนี้เองที่เป็นตัวที่ทำให้ใจนี้ทุกข์ทำให้ใจไม่สบายดังนั้นก็จะคอยแก้ปัญหาที่ความอยากนี้จะไม่ไปแก้ปัญหาอยากสิ่งอื่นอื่นเช่นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ไปแก้ให้สิ่งนั้นเป็นไปตามความต้องการมาแก้ที่ใจง่ายกว่า แก้ที่ความอยากปล่อยเขาไปเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาไปเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจถ้าเราไปแก้เขาถ้าวันนี้แก้ได้ก็สบายใจไปเดียวเดียวเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปอีกก็ต้องไปแก้อีกถ้าแก้ไม่ได้ก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้ามันแก้ที่ใจของเราแก้ที่ความอยากที่เป็นต้นเหตุของความเครียด ของความไม่สบายใจอพอไม่มีความอยากแนละ้วก็สบายใจเขาจะเป็นอะไรเขาจะทําอะไรไม่เป็นปัญหาเพราเราไม่ไปแก้ที่เขาเราแก้ที่เหตุของเราคือความอยากของเรานี่เองถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่เห็นความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเราต้องเจริญสติให้มากๆ แล้วก็นั่งสมาธิให้สงบให้นานๆจนชํานาญสามารถเข้าออกสมาธิได้ตามเวลาที่ต้องการอยากจะสงบเมื่อไหร่ก็สงบได้พอออกจากสมาธิมาก็คอยดูใจดูจิตดูตัวความอยากว่ามันโผล่ขึ้นมาหรือยังถ้ามันผล่ขึ้นมาก็ตัดมันทันทีถ้าจะทําตามความอยากก็ต้องมีเหตุผลเท่านั้น เช่นอยากจะดื่มน้ําก็ต้องพิจารณาว่าควรจะดื่มหรือยังร่างกายต้องการน้ําจริงหรือเปล่าหรือกิเลสต้องการกลิ่นต้องการรสของน้ําถ้าต้องการน้ําให้ร่างกายจริงๆก็ต้องเติมน้ําเปล่าอย่าไปดื่มน้ําที่มีกลิ่นมีสีมีรสเพราะนี่จะดื่มด้วยความอยากไม่ได้ดื่มด้วยความจําเป็น การรับประทานก็เช่นเดียวกันรับประทานก็เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่ยังไม่ต้องรับประทานเช่นถ้ารับประทานวันละมือ้อก็ถึงเวลารับประทานก็รับไปพอรับประทานเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รับประทานอะไร ก, ก็จะเดินแต่น้ำเปล่าไปจะต้องเฝ้าคอยเฝ้าดูความอยากเสมออยากจะไปที่นั่นที่นี่ก็ต้องถามว่ามีความจาเป็นจะต้องไปหรือเปล่า ถ้าอยากจะไปตามความอยากก็อย่าไปอยู่ที่นี่อยู่กับที่อยู่ให้ติดอย่าให้เหตุผลต่างๆมาหลอกเราไปถ้าเราภาวนาแล้วนี่ไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไปแล้วจะมาหลอกให้ไปทาบุญก็ไม่ไปจะหลอกให้ไปหาครูบาอาจารย์ที่วัดนูน่นวัดนี้เพื่อฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องไปสมัยนี้อยากฟังเทศฟังธรรมหนังสือธรรมะมีเยอะแยะไป อซีดีธรรมะมีเยอะแยะไปเปิดฟังที่ที่ปฏิบัติก็ได้อต่อหนังสืออ่านก็ได้นอกจากว่าซีดีหรือธรรมะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้ได้ถึงจําเป็นจะต้องไปก็ค่อยไปไปก็ไม่ทะเลถลายไปก็ต้องตั้งใจไปเรื่องนี้เรื่องเดียวไปเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาภาวนาต่อขังตัวเอง อยู่ในทางจงกรมกับที่นั่งสมาธิจะไม่ให้ไปทําอะไรอนี่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาต้องมีความเข้มงวดกวดขันขนาดนี้ต้องคอยควบคุมตัอหาความอยากที่จะมาหลอกในรูปแบบต่างๆกันมากมายกลายกองเดี้ก็จะมาหลอกให้ไปดูคนนั้นดูคนนี้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เรื่องของเขา ไปดูมันก็ไม่ได้ทําให้เขาหายเราไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขาไม่มีความไม่มีหน้าที่ไปรักษาพยาบาลเขาเราก็ไม่ต้องไปงานศพก็ไม่ต้องไปใครจะตายก็ไปเขาตายไปถ้าเรายังไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีหน้าที่จะต้องเป็นคนคนเผาเราก็ไม่ต้องไปแต่ถ้าเป็นหน้าที่เป็นความจําเป็นเช่นเป็นศพของพ่อของแม่อย่างนี้ก็ มีเหตุผลก็ไปแต่ไม่ใช่ไปมันตะพึะพ้ตะเพอใครตายก็ไปมันหมดไปทุกการอย่างนี้มันจะมันจะหลอกอยากมันยังใจไม่ยอมอยู่เฉยเฉยไม่ยอมภาวนาไม่ยอมเดินจงกรมมันจะหาช่องออกกันอย่างน้องตานี่ท่านก็ไม่ให้พระรับกิจนิมนต์ว่าตาบั่นตานี่ไม่รับกิจนิมนต์ พราถ้ารับกลินนิมน์มันก็เป็นช่องออกของกิ่ละเอตันหากินเอะตันหาจะได้ออกไปดูรูปเสียงกลิ่นไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผละะแต่พอกลับมาอยู่วัดก็ฟุง้งซ่านสัญญาอารมณ์ตกค้างอยู่ในใจรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้ออกไปเห็นก็ยังค้างอยู่ใช้เป็นเหมือนหนังให้ดูตลอดเวลาเวลาจ ะ, จะเจริญสติทําใจให้สงบมันก็ไม่ยอมสงบ เพราะมันไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผุตรภที่ได้ไปสัมผัสรับรู้มาเนี่ยการออกไปข้างนอกจึงเป็นภัยเป็นอันตรายต่อการภาวนาอย่างมากเพราะเป็นการเสริมนิวรคือการมชฉันทะนี่เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุตรภเยงต้องระวังระวังถ้าเป็นนักภาวนาแล้วก็ต้องตัดงานต่างๆออกไปให้หมดเลย ยิ่งถ้าคิดว่าตายจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ยิ่งดีตายจากทุกคนพ่อแม่พี่น้องถือว่าตายจากกันแล้วไม่ต้องเจอกันแล้วช่วงนี้ขอช่วงนี้ขอให้ตายจากกันแต่หลังจากที่ทํางานนี้เสร็จแล้วค่อยกลับไปเกิดเจอกันใหม่ไนดะ้ไม่เป็นปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระราชวางังหกปีนี้ไม่ได้กลับไปเลยแต่หลังจากที่ตัดสิ้แล้วทีนี้ก็ทรงกลับไปโปรดได้ ไม่เป็นปัญหาอะไรแล้วไม่มีกิเลสปัญหาแล้วไปแบบไม่มีกิเลสปัญหานี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วแต่ถ้าไปแบบกิเลสปัญหานี่มันจะเผาใจอยู่เรื่อยเวลาอยู่ก็เผาเวลาไปก็เผาเวลากลับมาก็เผาอีกเพราะมันจะมีความอยากอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะเราต้องมาเผากิเลสปัญหาให้มันหมดไปจากใจให้ได้เสียก่อน พอไม่มีเกลียปัญหาแล้วทีนี้จะไปไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรจะไม่มีอะไรที่จะมาเผาจิตเผาใจต่อไปนี่คือเรื่องของอชีวิตของเราที่มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายกับใจร่างกายก็มีอาการสามสิบสองใจก็มีอาการสี่สิ่งที่งราเนี่ หมดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องให้ใจต้องสอนสัญญาใหม่สอนสัญญาของ่ใจให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอรสุภะเป็นปฏิกูลเป็นดินน้ำลมไฟมีสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่เสื่อมไม่หมดไม่หายไปก็คือใจดวงเดียวนี้อให้รักษาใจดวงนี้ไม่ให้ทุกข์ พอไม่ทุกแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดการแสดงก็คิดว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนยะถาวาเรวาหาปุราบาลิปุเรนติสาขทารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปะทีอิชิตังปะทีตัตุนหังกิตเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปายันโทปนาฬโสยทามณิโชติระโสยทัสสะพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุ มาเตผวะทวันตาลาโยสุขีทีขายุโกผวะอะพิวาทนศิลิศานิจังวุฒาปเจายิโนจตารโอธัมมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลาง ใครมีอะไรจะถามไหมตามเกี่ยวกับเรื่องที่พูดมาก็ได้ถ้าฟังส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจความเข้าใจนี้สำคัญเหมือนกับการบอกทางถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวเดินหลงทางได้ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องถามให้แน่ใจจะได้ไม่ไปผิดทาง เช่นมาถึงสี่แยกนี้แล้วไปทางไหนนะ่ะเลี้ยวซ้ายลเลี้ยวขวาจาไม่ได้บอกให้เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่พระอาจารย์เทศเมื่อกี้ครับว่าสัญญาของใจเนี่ยก็คือปัญญานั่นเองใช่ไหมครับไม่สัญญาสัญญานี่ก็คือปัญญาก็ได้หรือกิเลสก็ได้ความหลงก็ได้ส่วนใหญ่สัญญาของปุถุชนนี้จะเป็น ความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นนิจจังสุก ข, ขังอัตตาไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาพระสกีณาสบพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านมีสัญญาเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาท่านเห็นาสุภะเราเห็นว่าสวยงามจึงมีแฟนกันมีสามีมีภรรยากันเห็นว่าสะอาดไม่เห็นว่าสกรปรก พระกินาสุภพระอริยะเจ้าท่านไม่มีสามีไม่มีภรรยาเพราะท่านเห็นว่าเป็นอสุภะเห็นว่าสกรปรกเป็นปฏิกลูลเห็นว่าเป็นทุกข์พราะไม่เที่ยงเวลาเวลาอยากจะเสกแล้วไม่ได้เสกก็ทุกข์เวลาสูญเสียคู่รักไปนี่สุขหรือทุกข์ดีใจหรือเสียใจ แลเพราะว่าไม่เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นความสุขชั่วคราวจึงต้องมาแจ้งไงจึงต้องมาจเจริญปัญญากันสอนใจให้เห็นว่าเป็นดิจัะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะเป็นปฏิกูลถ้าเห็นเวลาเกิดปัญหาความอยากก็จะดับมันได้ถ้า เกิดความอยากแล้วดับมันไม่ได้ก็สแสดงว่ายังเห็นไม่จริงเห็นตอนที่ไม่เกิดตัณหาพอเกิดตัณหานี่กลับไม่เห็นเช่นนั่งสมาธิเห็นนูน่นเห็นนี่พอออกมาเกิดความอยากวับลืมไปหมดเลยเห็นอะไรบ้างเห็นเงินเห็นทองก็ตาลูกวาวต่เวลานั่งสมาธิ <c oughs> โอ้เห็นเห็นว่าเงินนี่เป็นเหมือนดินน้ำํำลมไฟเป็นธาตุสีแต่พอไปเจอเงินจริงเข้ามันไม่เป็นธาตุสีใแล้วม มันเป็นเงินขึ้นมาแล้วเวลาขโมยมาป้นมาจี้ก็ต่อสู้กันสุดชีวิตเพื่อรักษาไอ้กระดาษนี่เองรักษาธาตุสีนี่เองแต่เวลานั่งสมาธิเวลาเดินจงกรมพิจารณาอ๋อมันเป็นแค่ทินน้ําลมไฟเแสดงว่ายังไม่ใช่เป็นปัญญาจริงปัญญาจริงต้องหยุดปัญหาได้เวลาใครจะมาขโมยมาป้นมาที้ก็เอาไปเลยยกให้เลย อยากจะได้อะไรเ อ, ไ เ, ยอยะไเอาไปเลยอยากจะได้แฟนเอาไปเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเป็นปัญญาจริงๆส่วนใหญ่เวลาที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วพิจารณานี้มันเป็นเพียงการทำการบ้านเข้าใจไหมยังไม่ได้เข้าห้องสอบเหมือนนักมวยตอนนี้กำลังชคกระสอบทรายอยู่กำลังซ้อมกับคู่โชคเหรอ ยังไม่ได้ขึ้นไปชิงแชมป์บุญเวทีเวลาขึ้นเป็นบุญเวทีเนะี่ยถึงจะรู้ว่าต่อสู้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ถ้าเอาชนะได้ก็แสดงว่าเป็นปัญญาจริงเป็นสัมมาทิฏฐิจริงถ้าขึ้นไปแล้วถูกเขาน็อคลงมานี่ก็เป็นสัญญาไปไม่ได้เป็นปัญญาดังนั้นปัญญานี่มันมีสามขั้นไงสามระดับ ระดับแรกเรียกว่าสุตตะมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเช่นวันนี้ได้ยินได้ฟังกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงได้ยินแล้วอสุภะได้ยินแล้วขั้นต่อไปก็เอาไปเจริญต่อเอาไปทำการบ้านเหมือนครูสอนที่โรงเรียนเสร็จแล้วครูก็ให้การบ้านไปทำกันกลับไปบ้านก็เอาไปทำต่อกลับไปบ้านก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิ กลับไปอยู่ที่ปฏิบัติของเราก็ดอนจงกรมนั่งสมาธิพิจารณ ى, อาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณอาอสุภะพิจารณาปฏิูลแล้วหลังจากนั้นก็เวลาเกิดเหตุการ์ขึ้นมาก็จะรู้ว่าคำังเข้าห้องก็จะก็เป็นเวลาที่ต้องเข้าห้องสอบเช่นมีใครมาขโมยของไปใจเฉยอรอป้ป่าว่าอานิจจังทุกขังอนัตตารูป้ป่า แล้วโวยวายขึ้นมาตามหากันวุ่นไปหมดใครมาขาโมยของของฉันไปอันนี้เรียกว่ายังไม่ผ่านถ้าผ่านก็อ่ะไปก็ไปมันอ น, นิจจังมันไม่เที่ยงแต่ถ้าจาเป็นที่จะต้องติดตามก็ติดตามได้แต่ไม่ได้ติดตามด้วยความอยากติดตามด้วยเหตุผลว่ายังต้องติดตามอยู่ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ถือว่าอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว แล้วกนไปหรือถ้าไม่สนใจมันจะไปก็ไปแล้วก็จบสามีจะไปก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปตามภรรยาจะไปก็ไม่ต้องไปตามลูกมันจะไปก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปตามมันถ้าอยากไปตามมันอยู่ไห่หวงมันอยู่นี่ก็เรียกว่ามันยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงว่าสอบตกถ้าจะสอบผ่านนี้ใครจะไปไปเลยใครจะมามาเลย จะเรียกว่าไม่มีตัณหาความอยากเพราะเห็นว่าเป็นอนัตตาห้ามก็ไม่ได้ใครจะมาก็ห้ามไม่ได้ใครจะไปก็ห้ามไม่ได้เรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาขั้นที่สามนี่เรื่องปัญญาเข้าห้องสอบต้องอยู่กับเหตุการณ์จริงเจอเหตุการณ์จริงใครตบหน้าปั๊บก็ยิ้มได้ไม่โกรธไม่มโมโห ทาดาก็ยิ้มได้ไม่น่าไม่น่าคุยน่า ง, งอไม่อารมณ์บูดไม่อารมณ์เสียแต่จะเรียกว่าเป็นภาวนาไมายะปัญญาเป็นปัญญาจริงปัญญาสามขั้นสองขั้นแรกนี่ยังดับตัณหาดับความทุกข์ไม่ได้สองขั้นนี่เรามีกันเยอะเฉพาะขั้นแรกเนี่ยฟังเทศฟังธรรมยนหูฉี่กันแล้อนะ ขันที่สองนี้อาจจะน้อยหน่อยไม่ค่อยพิจารณากันไม่ค่อยพิจารณาไม่ค่อยไม่ชอบทํากันบ้านกันพอเข้าห้องสอบก็เลยสอบตกกันถ้ามันทํากันบ้านพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้ำว่าเดี๋ยวเกิดมีคนเข้ามาตบหน้าเราเราจะทํำยังไงมีคนเข้ามาแย่งแฟนเราเราจะทํำยังไงเวลาแฟนเขาไปมีชู้เราจะทํำยังไง คิดอย่างนี้เตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวล่วงหน้าทําข้อสอบทําการบ้านไปก่อนพอเราทําการบ้านได้แล้วเวลาข้อสอบออกมาก็ทําได้เพราะทามาแล้วซ้อมอยู่แล้วเดีย๋ยวาเราต้องคิดถึงสภาพทุกสภาพในที่จะเกิดขึ้นได้กับเรากับชีวิตเราการสูญเสียสิ่งต่างๆในทุกรูปแบบนี้ต้องคิดให้ได้พรุ่นี้เราพิกลพิการไปอยู่ก็มันได้หรือเปล่าเป็นาาาาํามตะอมภาสอยู่ก็มันได้หรือเปล่า หมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่กับมันได้หรือเปล่าโดยจะไปกระโดดตึกตายไปค่าตัวตายอันนี้แหละคือข้อสอบของเราต้องทําการบ้านเตรียมไวยก่อนทุกรูปแบบอะไรเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีแค่นี้พัดพลาคจากกันพัดพาดจากสิ่งที่รักที่ชอบหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบนี่ก็คือข้อสอบคือการบ้านของเราเราไม่ชอบทําการบ้านกัน ก็ไปเพอ้อฝันว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้จะดีกับเราจะอยู่กับเราจะยกย่องสรรเสริญเราเคารพเราไม่ดูถูกเหยียดหยามเราพอไปเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันมาก่อนก็ทําใจไม่ได้เพราะไม่ทําการบ้านไว้ก่อน เราต้องพยายามหมั่นทำการบ้านคิดถึงเรื่องเสื่อมเรื่องเสียเรื่องดับอันอย่าไปคิดแต่เรื่องเจริญไอ้เจริญนี่ไม่ต้องไปทำการบ้านมันผ่านแน่ๆเวลาได้เงินมานี่โหดมันยิ้มตาบานไปทั้งวันเนี่ยแต่เวลาเงินหายนี่หน้าหน้าความไปทั้งวันเวลาใครชมนี่ยิ้มไปทั้งวันพอใครด่าหน่อยนี่หน้าหน้าขุ่หน้างอไปทั้งวัน อารมณ์บูดไปทั้งวันเพราะเราไม่ทำการบ้านกันเอาแต่เจริญลาบยศสรรเสริญไม่ยอมพิจารณาการเสรื่อมของลาบยศสรรเสริญบ้างพอมันเสื่อมก็ทำใจไม่ได้กันแต่ถ้าหมั่นทำการบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันจะทำได้เังนั้นเราต้องต้องพยายามทำการบ้านคือจินตาไม้ยัปัญญา สุตตมัจจปัญญาก็ฟังเป็นระยะระยะบางทีลืมก็กลับมาฟังใหม่ฟังแล้วก็เอาไปทําการบ้านต่อทําไปเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเข้าห้องสอบก็จะได้สอบได้หรือถ้าอยากจะให้มันสอบผ่านเร็วๆขี้เกียจเราให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก็สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเลยยกสามีให้คนอื่นไปเลยยกภรรยาให้คนอื่นไปเลยยกลูกให้คนอื่นไปเลย ยกสมบัตเข้าข อ, ของเงินทางให้คนอื่นไปเลยอาอย่างนี้แหละจะได้เข้าห้องสอบเร็วๆจะได้รับปริญญาเร็วๆนั้นก็ต้องมานั่งรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนถึงจะมาอสอบนนคนที่เขาบรรลุ ก, กันก็เพราะว่าเขาเดินเข้าหาห้องสอบก็าไม่รอห้องสอบให้มาหาเขาเขาเดินเข้าหาห้องสอบกันเดินเข้าป่าเข้าเขากัน อุบาจานทรเดินหาเสือหางูกันหาสิ่งที่น่ากลัวกันหาความทุกข์หาความยากลำบากกันนอนทุ ด, ดงในป่าอยู่อดอยากขาดแคลนไม่มีที่อยู่อาศัยนอนนอนใต้โคนไม้อยู่ใต้กดนอนบนแคร่ห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีอย่าว่าแต่พวกแอร์พัดลมเลยแต่ จิตใจของท่านสอบผ่านกันหมดเป็นจรรนางประชามิ้กันไปหมดเราก็ถ้าอยากจะเป็นเหมือนท่านก็ต้องทําเหมือนกันเหมือนท่านถ้าทําเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่จะผ่านเมื่อไหร่มีปัญหาอะไ ร, รเปล่ามีคําถามจาก f เฟซบุ๊คนิดหน่อยครับอาจารย์เพิ่งถามมาเมื่อวานครับเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเมื่อเช้านี่ครับ คุณทับนะครับกรดีทาบุญใส่บาตรตอนเช้าด้วยชาขิงซองเป็นกล่องพระทีพ่พิสุสงสามารถเก็บไว้ฉันวันอื่นได้หรือเปล่าต้องหรือต้องถวายแบบสังคทานคือของนี่มันมีอยู่สาสามกลุ่มด้วยกันที่ของถวายพระนี่แล้วแต่ละกลุ่มนี่จะมี เงื่อนไขในการบริโภคไม่เหมือนกันเช่นของสดเช่นอาหารขาวหวานนี่ใส่บาทแล้วรับไปแล้วก็ต้องฉันภายในวันก่อนเพนถ้าฉันถ้าฉันเพนก็ต้องหลังจากเพนก็ต้องสละไปไม่ให้เก็บเอาไว้ถ้าฉันมู้เดียวฉันเสร็จแล้วก็ไม่เก็บเอาไว้ให้แจกเป็นทานไปเช่นกับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวานต่าง ของกลุ่มที่สองนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเพสัตมีอายุเจ็ดวันมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันคือน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำมันเนยค้นเนยใสสิ่งห้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระรับประเคนและเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันดั้น่วนสิ่งเหล่านี้ถ้ามีอะไร ถ้าผสมอยู่กับอะไรอนนี้ก็ต้องดูถ้าไม่มีอะไรผสมอยู่เลยเช่นน้ำตาลเนี่ยถ้าใครประเคตมาใส่บาดมาใส่ถุงมาให้ก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันฉันหลังจากตอนเพลนไปได้ฉันได้ตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงเรียกว่าเป็นยาเป็นเพสันเช่นพวกเขิงพวกนี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันเขิงที่มีผสมกับน้ำตาลมา กับขิงผงที่ไม่มีน้ำตาลถ้าเป็นขิงผงนี่จะอยู่ในกลุ่มที่สามเป็นยาที่เก็บไว้แบบไม่มีอายุเก็บไว้ได้ตลอดเช่นยาที่เราได้มาจากโรงพยาบาลนี่เช่นพวกยาเม็ดยาน้ำยาอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นยาที่เก็บได้ตลอดเวลาเดมได้บริโภคได้ตลอดเวลาแต่ถ้ายาเหล่านี้ไปผสมกับสิ่งที่มีอายุเพียงเจ็ดวัน ก็จะอยู่แค่เจ็ดวันถ้ายานี้ผงขิงผงนี่ไปผสมกับน้ําตาลอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดวันแทนที่จะเป็นแบบไม่มีอายุไม่มีวันหมดอายุก็จะกลายเหลือแค่เจ็ดวันเช่นผงกาแฟผงชาก็เหมือนกันสมัยนี้เขาทําแบบผสมมาให้เลยถ้าผสมกับน้ําตาลก็ยังฉันตอนบ่ายไนดะ้แต่ถ้าผสมกับนมด้วยนี่ฉันไม่ได้แล้วตอนบ่าย ต้องอยู่ในกลุ่มแรกกลุ่มของอาหารต้องฉันกับอาหารหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วก็ฉันแ้ไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเรื่องเหล่านี้ญาติโยมไม่ต้องไปกังวลมากเพราะญาติโยมไม่รู้รายละเียดมันเป็นหน้าที่ของพระที่เวลามาบวชแล้วต้องศึกษาพระวินัยต้องรู้เรื่องราเหล่านี้แล้วท่านจะรู้จากวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เอง พอจะเข้าใจนะมเข้าใจครับเขามีคำถามจริงแล้วแต่ว่าพระอาจารย์ตอบหมดแล้วครับเรื hmm> ่องขิงครับอ่าแล้วก็ประมาณต้นปีหน้าจะมีโยมเขาอ่าเรียนปริญญาเอกจะมาขอสัมภาษณ์พระอาจารย์ทำทำนิจยารนิคนตอบก็ไปแล้วตอบครับตอบก็ไปแล้วเขาจะทำเรื่องการท่องเที่ยวกับพระพุทธศาสนากับการท่องเที่ยว พุทธศาสนาสอนให้หยุดเที่ยวเราจะมาเอาพระพุทธศ า, า, า, าสนามาส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างไรเหมือนเป็นกิเลสไปแล้วเมื่วานนี่ยการท่องเที่ยวเอาวัดเอาวาเป็นที่ท่องเที่ยวเพราะคนไม่เคยเห็นคนที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่เคยเห็นศิลปะอื ของทางศาสนาเห็นไม่เคยเห็นโบสถ์เห็นเจดีย์เห็นวัดเห็นวาอะไรก็อยากจะดูอยากจะเห็นอันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ปล่อยไปเป็นเรื่องของทางโลกไปนไว้ค่อยคุยกับเขาเรื่องรายละเอียดก็ถามว่าเขาต้องการถามอะไรแต่ถ้าถามความจริงแล้วก็คือศาสนาพุทธนิสอนให้หยุดท่องเที่ยวเพราะพวกเราท่องเที่ยวกันมาไม่รู้ นานทักเท่าไหร่แล้วเนี่ยท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายกันมาเนี่ยนานนับไม่ถ้วนแล้วน้ําตาที่หลั่งออกมาเนี่ยถ้าเก็บสะสมไว้นี่มีมากกว่า น, น้ําในมหาสมุทรซะอีกนี่คือความทุกข์ที่เราได้จากการท่องเที่ยวท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการพัดพากจากกันเนี่ยทําให้เรา ล้องหลังน้ําตาถ้ารวบรวมกันแล้วนี่จะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเองคิดดูกันแล้วกันว่าจะต้องท่องเที่ยวนานสักเท่าไหร่ถึงจะต้องมาหลังน้ําตาได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรถ้าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็จะไม่เห็นโทษของการท่องเที่ยวจะไม่เห็นต้นเหตุของการท่องเที่ยวว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมักตัณหานี่เกิดจากการอยาก เห็นรูปเสียงกลิ่นรสกดถะพะอยากจะสัมผัสกับรูกเสียงกิ่นรสกดถะพะอยู่บ้านนั่งสมาธิการสบายสบายอยู่ไม่ได้ต้องไปดูนั่นฟังนี่ต้องไปดื่มต้องไปรับประทานพอดื่มรับประทานก็ต้องหาเงินหาทองมาดื่มมารับประทานกันวุ่นวายกันไปหมดถ้านั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนกันทำงานก็ไม่ต้องทำมากทำแค่เลี้ยงปากเลี้ยงทอนก็พอ นี่นอกจากเลี้ยงฝปางเลี้ยงท้องแล้วต้องมาเลี้ยงความอยากด้วยความอยากนี่มันกินทรัพยากรของเรามากกว่าร่างกายร่างกายเราอาจจะกินแค่ร้อยละสิบอีกร้อยละเก้าสิบหรือร้อยละสองร้อยเนี่ยมาจากความอยากแค่นั้นเห็นไหมเป็นหนี้เป็นเส้นกันหมดนี่แสดงว่าใช้มากกว่าที่หาได้เสียได้ซ้ำไปเพราะความอยากเห็นอะไรก็อยากได้หมดพอเสื้อคนผ่อนได้กระซื้อกันไปหมด พอถึงเวลาผ่อนไม่ได้ก็เครียดอันนี้แหละไม่เห็นต้นของความอยากกันแล้วความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้สิ่งต่างๆมามันก็ชั่วประเดียวประดาแล้วมันก็หายไปแล้วซื่งเอาความสุขที่ไม่ต้องเสียงเงินไม่ดีกว่านั่งหลับตาเดินจงกรมทำใจให้สงบพุโทโธพุโทโธไปแค่นี้เองใจสงบแล้วจะอิ่มจะสุขยิ่งกว่า การได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระอาจารย์ครับช่วงนี้เป็นสภาวะที่เกิดกับตัวเองครับอตอนบางทีครับมันจะมีเรื่องทุกข์เราจะมีเรื่องไม่สบายใจนะครับเข้ามากระทบแต่ว่าเรื่องทุกข์เรื่องไม่สบายใจเนี่ยไม่สามารถทำกระทบร่างกายเราได้แต่พอมาพร้อมๆกันทางด้านจิตใจเนี่ยครับต้องสู้กับมันด้วยการมองไตร ล, ลัก์พิจารณาไตรลัก แต่ว่ามันก็เหนื่อยพอสมควรครับถ้ามาแบบพร้อมกันทีเดียวเยอะๆมันต้องค่อยๆมองสลับขึ้นลงขึ้นลงอันนี้ออกอันนี้มาอนี่ออกอันนี้มาไม่ไม่เตรียมทําการบ้านไม่ก่อนครับมาเดือดตุ่มพอมันมาก็รับมันไม่ไหวรับรับพอไหวครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยมันจะเหนื่อยหน่อยตอนพิจารณาใจรักนะครับไม่ไม่ซ้อมไม่ก่อนเหมือนนักมวยไม่ซ้อมไม่ก่อนพอขึ้นเวทีก็เหนื่อยแต่ถ้าซ้อมแล้วมันก็จะไม่เหนื่อย มันจะมีกำลังวังชาพร้อมที่จะสู้กับข้าศึกศัตรตูที่ปรากฏขึ้นมาในใจพระเจ้าถึงสอนว่าอย่าประมาทไงให้คิดถึงความเสื่อมอยู่เรื่อยจเจริญมรณานรสติอยู่เรื่อยทุกลมหายใจเข้าออกเลยให้มองความตายของทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาไม่ใช่แต่ความตายของเราเท่านั้นความตายของทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นราบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่นนสดผสพะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเสื่อมหมดมันมีเกิดมีดับของมันไปตามเรื่องของมันถ้าไม่ไปยึดไปติดมันไม่ไอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่เดือดร้อนเลยจะเฉยเป็นอุเบกขาตลอดเวลาอันนี้แหละการทาความ การทําการบ้านจึงเป็นหน้าที่ที่สําคัญอย่างมากการเข้าห้องเรียนก็สําคัญเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็อาไปทําการบ้านต่อไม่ทําไม่ใช่ไปเสร็จออกจากที่นี้ไปก็เอทิ้งถังขยะไปไปแล้วก็กลับไปหาเงินหาทองหาลาภหายุกันต่อพอต้องเจอเข้อสอบขึ้นมาก็บ่นแล้วยากเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกิน รพระอาจารย์คุณวีรพรนะครับทำอาชีพนักข่าวนะครับอตอนนี้กำลังทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมต้องเจอชาวบ้านหลายๆคนเนียครับแล้วก็เลยมีความเครียดนะครับต้องการมากราบพระอาจารย์วันนี้แต่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับจริงๆเขาตั้งใจจะมาวาันอาทิตย์เขาอยากเาอยากให้พระอาจารย์เมตาย้ำสอนเรื่องทางสายมัก ก็เห <People> ็นอะไรที่มันโอดหูใจก็ปองเสียว่าเออมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นธรรมดาของโลกมีเจริญมีเสื่อมมีสุขมีทุกข์คนสุขก็เพราะว่าเป็นอนิสง์ของบุญที่เขาทามาคนทุกข์ก็ถือว่าเป็นอนิสง์ของบาปที่เขาทามาหรืออนิสง์ของอวิชชากิเลสตัณหาทำให้เกิดขึ้นมา ถ้าเขาสนใจพระพุทธศาสนาถ้าเขาศึกษาปฏิบัติธรรมเขาก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเขาทุกข์เราก็ไม่รู้จะช่วยอะไรเขาได้ถ้าเขาไม่สนใจที่จะเข้าหาพระพุทธศาสนาที่จะดับความทุกข์ให้กับเขาได้ถ้าเขาไม่เข้าก็ต้องปรงเท่านั้นเองว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปไม่มีเราไม่ควรไปแบกกองทุกข์ของผู้อื่นไม่จไม่เปิดประโยชน์อะไร ต้องโปรงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเวลาเขาสุขล้าก็มุติตาแสดงความยินดีไปว่าเออนี่เป็นผลของการกระทำของเขาเวลาเขาทุกข์เราก็ทำใจอุเบกขาไปว่าเออมันก็เป็นผลของการกระทำของเขาเหมือนกันการท่านั้นเอง ถ้าจะช่วยเขาก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาอยากจะฟังธรรมะหรือเปล่าถ้าเขาอยากจะฟังธรรมะก็ถ้ามีหนังสือดีก็ให้หนังสือก็ไปอ่านถ้าเรามีธรรมะสอนใจเขาได้ก็สอนเขาไปสอนให้เขาปรงสอนให้เขาปรองอ น, นิจังทุกขังอนัตตาถ้าเขาปรงได้เขาก็จะหายจากความทุกข์ แน่ใจว่าอย่างเหตุการณ์นี้แล้ว เ, ออเราเข้าไปดูแล้วเราสำรวสังเกตแล้วเรารู้สึกผิดในเศร้าหมองหถือว่าเป็นอคติก็เป็นตันหาไงาก่อยากอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ทันไม่พิจารณาไว้ก่อนเอามันเป็นมันต้องเป็นอย่างนี้พอเห็นแล้วจะได้เฉยไม่เศร้าหมองพอเห็นคนรัก เป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็ทำใจไม่ได้พราไม่คิดไว้ก่อนไม่อยอมคิดถึงเรื่องที่เราไม่อยากจะคิดกันบางบ้านนี่พูดถึงคำว่าตายไม่ได้เลยเวลาคนตายนี่ต้องพูดว่าไปสวรรค์มั่งถึงแก่กรรมมั่งอะไรก็ว่าไปแต่คำว่าตายนี่ห้ามใช้เด็ดขาดเนี่ยกิเลสมันมีความรุนแรงขนาดนี้ มันปิดกั้นทําให้เราไม่สามารถที่จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราจึงต้องฟังพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราจเจริญ ม, มารณาโ น, านสติกอยู่เรื่อยๆวันๆหนึ่งเราจะเจริญ ม, มารณาโ น, านสติกกันสักกี่ครั้งวันนี้จเจริญ ม, มารณาโ น, านสติกกันแล้วยัง นั่นหละแล้วเมื่เจริญมาณานุสติมันก็อย่างนี้แหละพอเกิดมาณานุเกิดการการมารณะขึ้นมาก็ใจก็หดหูแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันเวลาให้เจริญมาณานุสติก็เจริญไม่ได้เลยพอคิดถึงความตายขึ้นมาใจก็หดหูขึ้นมาทันทีวิธีที่จะทําทให้ใจไม่หดหูก็คือต้องทําใจให้สงบก่อนต้องทําใจให้เป็นอุเบกขาก่อน ทำใจให้มีสมาธิก่อนพอใจมีความสงบแนละ้วทีนี้มาเจริญมานา น, านสตินี้จะไม่หดหู่เพราะมีอุเบกขาคอยคอยคอยกั้นเอาไว้ดังนั้นถึงต้องกลับมาที่การเจริญสติเป็นหลักก่อนต้องมาเจริญสติทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอนยกเว้นเวลาหลับแล้วก็มานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ พอใจสงบละทีนี้ก็จะมาเจริญมนานุสติได้เจริญอนิจจงทุกขงังอนัตตาได้แล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่หวั่นไหวไม่เศร้ามองไม่หดหูใจเนี่ยมันมีขั้นมีตอนของเหมือนการปฏิบัติอย่าไปข้ามขั้นตอนเหมือนกับเรียนหนังสือยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ยังอ่านอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้อย่าเพิ่งไปเขียนนิยายอย่าไป อ่านหนังสือต่างๆอ่านก็อ่านไม่ได้เขียนก็เขียนไม่ได้ต้องขยันท่องกอไก่ขอไข่ไปก่อนขยันผสมสระสระอาไปก่อนมันมีขั้นของมันการภาวนาก็มีขั้นขั้นแรกก็คือการเจริญสติเจริญสติให้มากๆจนสามารถทำใจให้สงบได้ใจสงบแล้วครับทีนี้ก็สามารถพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาได้ พี่พีอาจารย์บอกว่ายกไม้เข้าไปเลยหรืว่าคือยกได้แต่ว่าใจมันไม่เบิรดบานนี่ถือว่สับตกเลยก็ยังหวงอยู่มันต้องเบาอกเบาใจโอ้ล่องอกองใจแบกกองทุกนี้มาต้องนานไปแล้วสบายอย่างเงี้ยไปถ้าให้แล้วใจเบาใจมีความสุขเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ต้องทำยังไงที่เปอย่างนี้ก็ต้องเห็นว่าเป็นทุกข์เนแบกเข้ามาต้องนาน ทุกข์กับเขามาต้องนานพอไม่มีเขาแล้วทีนี้ไม่ต้องมาทุกข์กับเขาแล้วเขาจะกลับมาตอนไหนไม่กลับมาตอนไหนก็ไม่ทุกข์แล้วนต่นี่พอกลับมาไม่ตรงเวลาก็ทุกข์แลห่วงแล้วหายไปหน่อยไม่เห็นหน้ากันสักพักหนึ่งก็ทุกข์แล้วหรือทำอะไรไม่ถูกใจก็ทุกข์อีกแล้วนี่แต่ความทุกข์มองไม่เห็นทุกข์กันเห็นแต่สุขเล็กๆน้อยๆ พระอาจารย์ครับวันที่สามพระอาจารย์เดินบาดนะครับจากข้างบนยอดอ๋อไม่วันที่สามนี่เขาเขามีมีการบินรบาดพิเศษใช่ไหมใช่ครับเรื่องจากวันที่สองเราไม่ยอมอใช่ไหสอง <2 S 2> ไม่ทราบว่าเขาจะบินที่ไหนเขาจัดเป็นงานเรื่องในวันครบร้อยปีสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็จะจัดนิมนต์พระมาจากที่อื่นเพราะพระวจาะ น, นี่จะออกไปบินระ บ, บ, บาดตามปกติ เพราะถ้าจะเป็นธบาต ท, ที่ที่เขาจัดนี่ไม่รู้จะมีชั้นหรือเปล่าเพราะไม่รู้จะมีใครมาใส่หรือเปล่านี่วเราจะไปเป็นเป็นธบาตตามปกติตามหมู่บ้านต่างๆที่เคยไปกันแต่พวกนี้เขาจะเหมือนกับจัดพิธีขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าได้ทาอะไรเฉลิมพระเกียรตินีมวลคนเชิญคนมาใส่บาทพระร้อยลูก พระในวัดไม่มีร้อยรูปก็ต้องไปนิมนต์พระจากที่อื่นมาเนี่ยมันทําแบบไม่เป็นธรรมชาตินะครับการบินสบายนี้มันเป็นการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ใช่เป็นการมาทําพิธีกรรมอวดโชกันว่ามีพระจําจนวนนั้นจํานวนนี้มามาบินสบายกันบินสบายนี้เป็นกิจประจําของพระทําอยู่ตามที่ที่เคยทําเป็นประจําคิดดูถ้าไม่ไป ตรวจญโยมญาติโยมที่เขาเคยใส่บาตรทุกวันเขาก็จะไม่ได้ใส่แทนที่จะจัดงานมานั่งสมาธิภาวนากันกลับไม่ทํากันออกลับมาทําในเรื่องที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าท่าพูดง่ายๆดีกว่ามือจะพูดช้ำไหนบิณฑบาตก็ปล่อยให้บินดาบาตัตามปกติไปอยากจะเฉริญพระเกีรตก็จัดการ น, นั่งสมาธิ การแสดงธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมกันไปแต่เขาก็มีเห็นว่าเขาจะจัดให้มีการบวชพระร้อยหนึ่งรูปในวันที่ยี่บสองตุลาคมแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคนมาสมัครแค่สิบกว่าคนนะตอนนี้ก็เปิดสปอตวิทยุแล้วครับวันหนึ่งหลายรอบไม่รู้วออ <laughs> จะได้สักกี่คนความจริงไม่น่าจะไปกดใจ ไปไปไปอะารกำหนดจํานวนปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมะจัดสรรดีกว่าธรรมะจะส่งมาเท่าไหร่ก้ามันเท่านั้นมีคนบวชกี่คนก้าบวชแต่นั้นไปมันก็ก็ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวกับที่ไปกําหนดร้อยหนึ่งรูปแล้วก็ต้องไปเครียดกับการหาคนมาบวชให้คนร้อยหนึ่งรูปถ้าเขาไม่มีศรัทธาทําไงเขาก็ไม่บวช พระพุทธเจ้าไม่เคยไปก้านเอาสาวกมาว่า เ, าเราจะต้องมีสาวกหนึ่งหนึ่งหมืนหนึ่งพันหนึ่งแสนอะไรท่านก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติมีใครสนใจมาศึกษามาปฏิบัติอมาบวชท่านก็บวชให้บางคนมาฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ขอบวชเลยท่านก็บวชให้อจงมาเป็นแพลงมาเป็นภิกษุเทิดก็เสร็จละบวชง่ายจะตายไปสมัยพุทธกา ไม่เหมือนสมัยนี้ต้องสวดกันสามรอบจะต้องมีพระอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชานี้บวชง่ายมากเวลาใครมีศรัทธาก็มากราบคออนยานบวชพระพุทธเจ้าบอกเออจงมาเป็นภิกษุเถิดแค่นี้ก็ถือว่าบวชแล้วแต่ตอนมาคนบวชกันเยอะก็เลยทำให้พระพุทธเจ้านี้มีภาระมากเกินไปบวชไม่ไหว ก็เลยสมมติให้กับสงเป็นผู้ทำหน้าที่บวชแทนสง์ก็เลยต้องจัดการมีพธิธีการต่างๆขั้นตอนต่างๆมีการสอบสัมภาษณ์ก่อนว่าบุคคล น, นี้เป็นบุคคลที่บวชได้หรือไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเป็นพิกลพิการหรือเปล่ามีหนี้มีสินมาหรือเปล่าเป็นค่าพลาดมาหรือเปล่าได้รับอนุญาตจาก เจ้าของหรือเปล่าต้องมีการสอบอตรวจคุณสมบัติเมื่อคุณสมบัติพร้อมแล้วก็จะทําพิธีบวชให้ก็ต้องมีการตั้งยัติเหมือนที่ก็ตั้งยัติในสภากันบอกว่าตาอไปนี้จะบวชให้ในายนี้แล้วก็ขอความเห็นชอบจากสงที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในฮัททบาศอยู่ในที่ประชุมนั้น ว่ามีใครขัดข้องหรือไม่มีใครไม่อยากจะให้บวชหรือไม่ถ้านิ่งเฉยก็แสดงว่าไม่ขัดข้องก็จะมีการถามถึงสามครั้งด้วยกันสวดสามครั้งเขาเรียกสวดยัติสามครั้งพอสวดเสร็จไม่มีใครแสดงอะไรออกมาก็ถือว่าไม่มีใครขัดข้องก็รับให้มาเป็นพระภิกษุได้นี่คือการบวชในสมัยปัจจุบัน เวลาบวชนี้จะต้องมีพระภิกษุอย่างน้อยสิบรูปเป็นสักขีพยานถ้าอยู่ในที่กันดารห่างไกลหาพระยากก็อนุโลมให้บวชได้ด้วยการมีพระภิกษุห้ารูปด้วยกันแต่การบวชนี้ไม่ได้บวชทดสอบ ก, ก็ได้นะนี่บวชกันแค่เจ็ดวันสิบห้าวันแล้วก็สึกกันดยเดี๋ยวนี้บวชเช้าสึกเย็นกัน บวชแบบนี้ไม่รู้บวชไปหาอะไรไม่รู้บวชแล้วได้อะไรการบวชนี้เพื่อมาขัดกกเกลื่อนตัณหาการขัดเกากื่อนตัณหานี่มันบวชต้องบวชไปตลอดชีวิตนะเพราะว่าพอได้บรรลุถึงผลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อก็อยู่ต่อไปถ้ากลับไปศึกไปก็กลับไปหากิเ่อนตัณหาอีก การบวชในสมัยพุทธกาลนี้เป็นการบวชแบบไม่สึกกันแต่เนื่องจากาความสามารถของคนในสมัยปัจจุบันนี้มันมีน้อยอินทรีย์ไม่แก่ก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีไม่มากก็บวชได้ไม่นานอย่างน้อยก็บวชกันสามเดือนในสมัยโบราณถือว่าเป็นหน้าที่ ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณบิดามารดาบิดามารดาจะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์คาว่าเกาะชายผ้าเหลืองนี่คืออะไรก็คือเวลาที่บุตรได้มาบวชพ่อแม่ก็ต้องมาวัดมาคอยดูพระลูกของตนก็ต้องมาทำบุญพอมาทำบุญที่วัดก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมพอได้ฟังเทศฟังธรรมก็เกิดศรัทธาปฏิบัติตาม รือศีลห้าสีลแปดกันเพอาปฏิบัติธรรมจิตใจก็ได้สวรรค์ได้ความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานรักษาสีภาวนาก็จะได้ได้สวรรค์ขึ้นมาอันนี้ที่เรียกว่าเกาะชายผ้าเหลิงถ้าลูกไม่บวชก็มีไม่มีเวลาจะเข้าวัดกันมัวแต่ยุ่งกับการธรรมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มัวแต่ยุ่งกับการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาก็จะไม่มีเวลาเข้าวัดก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนากันก็เลยไม่ได้ขึ้นสวรรค์กันก็ต้องไปอบายกันเวลาตายไปแล้วเพราะเวลาแสวงหาราบยศสรรเสริญก็อาจจะต้องทำบาปบ้างโกหกบ้างโกงบ้าง พอทำบาปแล้วมันก็เป็นชนะติดตัวไปตายไปมันก็ต้องไปใช้กรรมใช้บาปในอบายถ้าไม่ทำบาปทำแต่บุญรักษาศีลภาวนาตายไปก็ได้ไปสู่สุคติได้เป็นเทศบ้างได้เป็นพรมบ้างได้เป็นพระอริยบุคคลบ้างได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าห า, าศาสนา เริ่มต้นก็จากการบวชของลูกก่อนมีตัวอย่างนี้ยมีศัทธาสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งเมื่อเจ็ดปีก่อนลูกก็มาบวชพอมาบวชแล้วตอนเองก็มาทุกวันพระทุกเสาร์อาทิตย์จนกระทั่งลูกศึกนะ็จแปรดาแล้วก็ยังมาอยู่เป็นประจําแล้วก็เพิ่มการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่รักษาศีลห้าเลยนี้ก็รักษาศีลห้าเมื่อก่อนไม่ได้เคยรักษาศีลแปดวันพระก็ได้รักษาศีลแปด เมื่อก่อนไม่เคยนั่งสมาธิเดีย๋ยวนี้ก็หันนั่งสมาธิมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเลยเลยต่อไปก็อาจจะบวชกันได้สามีก็บวชพระภรรยาก็บวชชีได้เพราะมันไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการบวชจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพผลที่ได้รับนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหมดในโลกนี้ นัติสันติพลังสุขขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบก็เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่นี่ถึงได้ว่ามีธรรมเนียมตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่เพื่อให้พ่อให้แม่จะได้มีเวลาเข้าวัดลูกก็จะได้อา น, นิสงส์ ถึงแม้ว่าจะบวชแค่สามเดือนก็จะได้เรียนเรีย น, ร, ย น, ร, ร, ยนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเรียนรู้เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องผลของบาปของบุญเรียนรู้อะไรต่างๆเรียนรู้เรื่องความกตันยูกะตะเวทีเรื่องสัมมาคารวะเอก็จะถ้าศึกออกไปก็จะเป็นคารวะที่มีคุณสมบัติที่ดีไม่เป็นภาระไม่เป็นภัยต่อสังคมถ้ามีบุญวะ มีบุญว่าสนามากก็อาจจะบวชไม่เสร็อย่างหลวงตานี้ตอนต้นท่านก็ไม่อยากจะบวชแต่พ่อของท่านนี่มีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีคนไหนยอมบวชให้พ่อของท่านก็บอกว่ามีท่านเนี่ยคนเดียวนะั่ที่พอจะอาศัยได้ท่านก็เลยจําใจต้องบวชให้แต่ท่านบอกท่านไม่คิดอยากจะบวชเหมือนกันแต่พอท่านบวชแล้วท่านก็เป็นคนที่มีนิสัยเอาจริงเอาจัง ทำหน้าที่ของพระเต็มที่พระมีหน้าที่ทําอะไรท่านก็ทําศึกษาก็ศึกษาปฏิบัติก็ปฏิบัติพอศึกษาพอาปฏิบัติจิตของท่านก็สงบขึ้นมาท่านก็เลยเกิดความาความอยากความยินดีฉันทะวิริยะอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามรรคผลนิพพานมีจริงหรือไม่มีจริงปฏิบัติแล้วได้ผลจริงหรือไม่ได้ผลจริงไม่รู้ แต่พอมาได้ศึกษามาได้ปฏิบัติแล้วพอได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วทีนี้ท่านไม่คิดจะเสร็จแล้วคิดแต่จะปฏิบัติแสวงหาครูบาอาจารย์ในที่สุดก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นก็เลยพุ่งไปหาหลวงปู่มั่นไปอยู่กับปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นประมาณเก้าปีแปดเก้าปีจนหลวงปู่มั่นละสังขารไปก่อน ตอนนั้นจิตของท่านว่ายัางไม่สําเร็จใกล้จะสําเร็จแล้วเหลือขั้นสุดท้ายเพราะว่าหลวงปู่มั่นมาหน้าภาพไปไม่กี่เดือนท่านก็ทำกิจของท่านสําเร็จท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ในตอนนั้นถ้าเอาเรื่องที่ท่านติดอยู่นีไปเล่าให้ฟังหลวงปู่มั่นก็จะแก้ให้ได้ในตอนนั้นเลยไม่ต้องมาแก้เองเวลาแก้เองนี่จะยากกว่ามีคนบอก การมีกูบาอาจารย์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นประโยชน์มากเพราะเป็นทางที่เราไม่เคยเดินไาเดินไปก่อนนั่นเองเราต้องอาศัยคนที่เดินไปแล้วมาบอกทางให้กับเราเพราะทางที่ไปนี้มันมีทางแยกหลายทางถ้าไม่มีคนบอกก็อาจจะเลี้ยวผิดทางได้หลงทางได้แต่ถ้ามีคนคอยบอกทางคอยเตือนอยู่เรือว่าถึงตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายอย่าเลี้ยวขวาถึงตรงนี้ต้องตรงไปอย่างนี้ ก็จะไม่หลงทางก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีใครบอกทางก็ต้องลองผิดลองถูกก็ลองไปทางซ้ายก่อนถ้าไปแล้วมันตันก็ต้องกลับมาทางขวาถ้าทางขวาตันก็ต้องตรงไปมันก็จะช้าแต่มันก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันถ้ายึดประทมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแผนที่ แต่แผนที่นี้สู้คนนําทางไม่ได้แผนที่บางทีรายละเอียดไม่พออคนนําทางนี่จะรู้จากรายละเอียดที่ถี่ยิบกว่าดังนันการเข้าหากูบาอาจารย์การศึกษาจากกูบาอาจารย์จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากพระบวตใหม่นี้พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไว้เลยว่าต้องอยู่กับกูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพันษา อยู่ปราศจากคูบาอาจารย์ไม่ได้เพราะเป็นเหมือนเด็กท้าวโลกเกิดใหม่ต้องอยู่กับพ่อกับแม่ให้พ่อแม่สอนวิธีต่ตางๆวิธีรับประทานวิธีดื่มน้ำวิธีอาบน้ำอาบท่าเข้าห้องน้ำห้องท่าต้องเรียนรู้ระษาเรื่องอะไรต่างๆจากพ่อจากแม่ก่อนจนเตนจนโตจนกระทั่งพึ่งตนเองได้ก่อนแล้วถึงค่อยแยกออกจากบ้านไปการบวชก็เหมือนกัน ท่านสาแรกนี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งโดยหลักแล้วครูบาอาจารย์องค์แรกก็คือพระอุปชยัยผู้ที่ทําการบวชให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์แต่ถ้าท่านไม่มีความสามารถพอหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่เก่งกว่าดีกว่าแล้วท่านอนุ ญ, ญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์รูปนั้นได้ก็ไปอยู่กับรูปนั้นแทนก็ได้แต่เมื่ออยู่แล้วก็ต้องอยู่กับท่านไปจนกว่าท่านจะ เห็นว่าช่วยตัวเองได้แล้วรู้จักวิธีการปฏิบัติรู้จักธรรมวินัยของพระแล้วไปอยู่คนเดียวจะไม่ทำความเสื่อมเสียให้แก่พระศาสนาแล้วท่านถึงจะปล่อยให้อยู่คนเดียวแต่สมัยนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีความเข้มงวดกดขันกันบางทีบวชได้ไม่กี่วันก็ไปตั้งสานักอยู่ของตอนะแล้วไปอยู่ตามลาพังอันนี้เป็นกิเลสตัณหาความอยาก อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากจะเป็นเจ้าสำนักอยากจะเป็นครูบาอาจารย์ทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองนี่ยังไม่รู้อะไรเลยอันนี้เป็นภัยอันตรายต่อศาสนาทุกวันในศาสนาเสื่อมไม่ได้เสืออเส่อมจากภัยภายนอกแต่เสื่อมจากภัยภายในจากการที่ไม่มีความเข้มงวดกวดขันต่อการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่เอง ถ้ามีการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วนี่จะไม่มีการเสื่อมโดยเด็ดขาดพระสาริบุตรเคยถามพระพุทธเจ้าว่าจะรักษาพระศาสนานี้ให้อยู่ไปนานๆได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกสงต้องลงฟังพระทัตพระปาติโมกทุกปึงเดือนพระปาติโมกก็คือศีล227ข้อของพระนี่เองถ้าพระไม่รู้จักศีลของตนเองแล้วพระก็ทําพรำทำทุศีลไปตลอดเวลา แต่ถ้าลองฟังพระปฏิโมกขุกเึ่งเดือนทุกสิบห้าวันมันก็จะมีอะไรมาทบทวนอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งสองว่าจยี่บเจ็ดข้อนี้มีอะไรบ้างห้ามทำอะไรบ้างเนี่ยพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรตอนนั้นลยขออนุ ญ, ญาตพระเจ้าบอกให้บัญญัติการฟังพระปฏิโมกขึ้นมาแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงแรกๆพระที่บวชนี่เป็นพระอระหันต์ทั้งนั้น พระพุเจ้าบอกตอนนี้ยังไม่มีเหตุยังไม่มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าผู้ที่มาปฏิบัตินี้มาบวชนี้เป็นป้าอาหัยกันทั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่ประพุทธที่ไม่ ท, ที่ที่จะทําให้เกิดความเสียหายให้แก่พระศาสนาแต่ต่อมามีคนมีศรัทธามากขึ้นมาบวชกันคนกลุ่มแรกนี้จะเป็นพวกนักบวชนักปฏิบัติบัว วัวเหนือน้ำวัวที่พอได้รับแสงสว่างแห่งธรรมก็บรรลุมรักผลนิพพานกันแต่หลังจากนั้นไปแล้วก็พวกที่เป็นคารวะที่ไม่เคยบวชมาก่อนพอมาบวชก็ไม่รู้ว่าการอยู่การปฏิบัติของพระที่ถูกต้องนั้นอยู่อย่างไรก็เริ่มทําผิดศีลก้อนั้นทําผิดศีลข้อนี้กันชาวบ้านก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกพระมาไต่ถามสอบถามว่าทำอยานี้จริงหรือเปล่า ตามจริงก็ปรับโทษ ก, ก็สั่งห้ามบอกว่าต่อไปนี้อย่าทำนะถ้าใครทำต่อไปจะต้องถูกปรับอาบัต ป, ปรับโทษอย่างนี้ยังมีศีส้อยี่สิบเจ็ดข้อปรากฏขึ้นมาทีละข้อสองข้อพอถึงเวลานั้นก็เลยต้องมีบัญญัติให้พระลงฟังพระปฏิโมกทุกเกือเดือนทุกสิบห้าวันด้วยกันล้วถ้าฟัง แล้วเอาไปปฏิบัติตามศาสนาจะไม่เสื่อมแต่ทุกวันนี้ฟังมันก็ฟังแบบนกแก้วเพราะว่าเวลาสวดก็สวดเป็นภาษาบาลีแต่ความจริงพระทุกรูปที่มาบวชนี่จะต้องเรียนนักธรรมตรีนักธรรมตรีนี้ก็จะสอนสีนสังวยี่สิบเจ็ดข้อเป็นภาษาไทยงั้นพระจะว่าอ้างว่าไม่รู้สีนสังวรยิบเ็ดข้อนี้เป็นไปไม่ได้ ถ้าปฏิบัติอย่างเค่งคัดแล้วรับรองได้ว่าศาสนาจะไม่เสื่อมศรัท ธ, ธาของญาติโยมจะไม่เสื่อมกับพระสงฆ์ของเจ้าแต่ทุกวันนี้ท่านไม่ปฏิบัติตามพระธรเอาไม่ไกันศรัท ธ, ธาจึงเสื่อมไปอันนี้แหละเป็นภัยของศาสนาไม่ได้เกิดจากภายนอกเกิดจากภายในเกิดจากที่พุทธบยศสัตว์สี ไม่ให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่คาลวะญาติโยมก็ห่างไกลจากการศึกษาไม่รู้เรื่องของพระว่าพระที่ดีเป็นพระอย่างไรควรจะทำตนอย่างไร<ม>ก็เลยไปหลงกับพระที่ไม่ดีกันแล้วพระไม่ดีก็เลยไปทำอะไรเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาในหน้าหนังสือพินกัน ก็เพราะว่าคนซื้อเพชรก็ดูเพชรไม่เป็นก็ไปซื้อเพชรปลอมกันก็เพราะไม่ไปศึกษาก่อนว่าเพชรจริงเพชรปลอมเป็นอย่างไรพระแท้พระจริงพระเทียมก็อย่างนี้ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมด้วยในไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้จักแยกแยะว่าพระดีเป็นยังไงพระแท้เป็นยังไงพระเทียมเป็นยังไงก็จะเห็นกับตาลับตาไป พระแท้ก็กลายเป็นพระเทียมไปพระเทียมก็กลายเป็นพระแท้ไปนี่ก็คือเรื่องของเรื่องของการศึกษาพระธรรมวินัยต้องศึกษาทั้งหมดทั้งพุทธบริษัทสี่พระภิกษุสา ม, มเณรก็ต้องศึกษาศรัทธาญาติโยมก็ต้องศึกษาเหมือนกันนี่ก็เป็นเหตุนหนึ่งที่ทำให้มีการบวชเพราะเมื่อบวชก็จะได้ศึกษากัน พอศึกษาแล้วเวลาศึกไปก็จะรู้ว่าพระพระจริงเป็นยังไงพระปลอมเป็นยังไงแต่สมัยนี้คนบวชน้อยลงไปเรื่อยๆมีการศึกษาน้อยลงไปเรื่อยหรือบวชแล้วก็ไม่ได้ศึกษากันบวชแค่เจ็ดวันก็เสกกันไปบวชเอาพิธิทำพิธีให้ครบว่าเกิดมาแล้วเป็นลูกก็ต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็บวชสักเจ็ดวันเพราะว่าอาจจะมีเรื่อง การปัญหาเกี่ยวกับเวลาก็ได้เพราะสมัยนี้ทํางานทําการหยุดไม่ได้หยุดนานไม่ได้ศาสนาก็จะต้องเสื่อมลงไปตามลําดับตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งธรรนายไว้ว่าจะอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีถ้าเรามองศาสนาในปัจจุบันกับในสมัยพระพุทธกาลนี้มันต่างกันมากหรืจะมองเมื่อสักห้าสิบปีก่อนกับสมัยนี้มันก็ต่างกันมาก มันก็จะเสื่อมไปไมเรื่อยๆก็จะมีพระดีโผล่ขึ้นมาบ้างนานๆก็โผล่มาครั้งอย่างหลวงปู่มั่นก็โผลมาพอท่านโผล่มาท่านก็จะดึงคนดีไปปฏิบัติตามท่านได้อแล้วก็แล้วก็จะค่อยๆเสื่อมไปอีกเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีพระดีคนดีโผล่ขึ้นมาอีกอต่มันจะมีไม่มากแค่ไหน สิ้ น, นาศาสนาเนี่ยครับหมายความว่าไม่เหลือคนปฏิบัติธรรมแม้แต่คนเดียวใช่ไหมครับอาจารย์คือมีอาจจะมีพระพุทธรูปมีพระพไปปิดดกแต่ไม่มีใครสนใจศึกษาหรือศึกษาก็ไม่เข้าใจไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติถ้าจะอย่างที่ญี่ปุ่นนี่เขว่าเขาวัดนี้ไม่มีพระบางวัดไม่มีพระมีแต่อบาสุกไปคอยกวาดลานวัดไปคอยเก็บเงินบริจาคไปคอยเตรียมทูบเทียนให้คนเข้าไป ไหว้เท่านั้นเองก็ไหว้พระพุทธเจ้าเหมือนไหว้เหมือนเหมือนไหว้เจ้าไปคิดว่าการเข้าวัดก็เพื่อไปไหว้แล้วขอขอพรไม่ได้รู้ว่าการเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อเข้าศึกษา คงจะเรียกมั้ว่าม <c> า <oughs> <ức ough> ช่วยน้อยคือไม่ได้ว า, าแต่ใช้ถกมือ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมเนียมของเขาแต่จะจะไม่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติแต่ยังมีรูปของอของศาสน า, าอยู่มีพระพุทธรูปมีวัดอยู่แต่เป็นที่ไปขอพรกันมาสมัยนี้เห็นไหมวัดดังๆนี้คนไปจุดธูตเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐาน ข, น, นขอนั่นขอนี่กัน <c oughs> อยากจะได้ลูกก็ขอลูกอยากจะได้งานก็ของาน อยากจะได้แล้วก็ขอกันไปนี่แหละมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปอารที่จะเข้าวัดเพื่อฟังเทศฟังธรรมสนทนาธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัตินี่มันหายากมีน้อยก็จะมีไอ้ purified water ค่ะน้ำจ่ายน้ำอย่างน้ำมนตั่นน้นมันก็เป็นน้ำแหละมันจะเป็นอะไรได้ไง น้ำมนต์ที่แท้จริงก็คือธรรมะคาสอนนี่แหละเรียกว่าน้ํามนต์การที่มารับน้ํามนต์ก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมอันนี้แหละน้ำมนต์แท้พระอาจารย์ครับยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยภัยพิบัติครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องการการวางจิตสั้นๆแก่ผู้ประสบภยัย บ้างครับอาจารย์หรือผู้ที่กําลังจะประสบภัยในอนาคตเนี่นะครับก็นั่นแหละก็บอกว่าโลกนี้เป็นโลกของนิจังทุกขอังอนัตตานิจังก็คือไม่แน่นอนภัยมันก็ไม่ใช่มจะมีทุกวันมันก็มีสลับกันไปบางวันก็มีภัยบางวันก็ไม่มีภัยก็ทําพิจารณาความไม่เที่ยงของโลกว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้เสมอพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็ทําใจได้แต่ถ้าไม่ไม่ทําการบ้าน ไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับน้ำท่วมรับกับพายุรับกับการสูญเสียพอเกิดการสูญเสียขึ้นมาก็ทำใจไม่ได้มันก็ลงมาที่เดิมะที่พูดอยู่เสมอว่าถ้าคิดพิจารณานิจังทุกขังอนัตตาแล้วมันครอบหมดภัยพิบัติางต่างมันก็นิจังทุกขังอนัตตาไมันใจของเรามันชอบนิจังสุขขังอัตตาอยากจะให้ทุกอย่างดีไม่มีภยัยน้าไม่ท่วม ไม่มีพายุไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภัยพิบัติต่างๆมันเป็นได้ที่ไหนก็ดูข่าวข่าวมันเกิดอยู่แทบทุกคนทุกแห่งแทบทุกเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ต้องศึกษาแล้วมาสอนใจเราแก้ภัยพิบัติต่างๆไม่ได้หรอกโลกในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราแก้ได้ก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ถ้าเรามีธรรมะมีปัญญาเราก็จะอหยุดความอยากได้ความอยากที่ไม่ให้มีภัยพิบัติต่างๆนี้มันเป็นความหลงเป็นไปไม่ได้พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นไปไม่ได้เราก็หยุดอยากเราก็เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจนี้ต่อให้มีระเบิดนิวเคลียร์มันก็ไม่ตายเพราะใจมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้ ใจมันอยู่ในโลกทิพย์ก็ได้ไะใจของพวกเรานี้อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่าส่งกระแสมาติดกับร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้ผ่านคําสั่งผ่านคําความคิดของเราเราคิดอะไรแล้วก็สั่งให้ร่างกายมันทําตามความคิดเราคิดให้เดินทางมาที่นี่ร่างกายมันก็เดินทางมาที่นี่แต่ใจไม่ได้มากับร่างกายใจมันนั่งอยู่ในโลกทิพย์รับข้อมูลจากร่างกายนี้ข้อมูลที่ผ่านมาทางตาทางหูนี้ อย่างที่ได้แสดงไวใ้ในตอนต้นนะครรูปเสียงกลิ่นรสรวดพทพะก็มันก็รับด้วยวิญญาณจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณส่งไปให้สัญญาสัญญามันก็แปลความหมายว่ารูกบรรูปอะไรเสียงเป็นเสียงอะไรแล้วพอแปลแล้วก็เกิดสังขารขึ้นมาถ้าเป็นของชอบก็เกิดตัณหาอยากให้อยู่นานๆถ้าเจอของไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆ พอเกิดสังขารคามคิดเปลต่ยนไปทางตงานหาก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นสัญญาตามที่พระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตามันก็จะเฉยมันก็จะไม่อยากใจมันไม่ได้เป็นอะไรใจเหมือนคนดูละครใจเหมือนคนดูหนังเหตุการณ์ในหนังนี่มันไม่ไปทําอะไรให้คนดูตายหรอกในหนังมันจะ มีระเบิดนิวเคลียร์ตูมตามมันขึ้นมาคนดูมันไม่ได้ตายไปกับระเบิดนิวเคลียร์ในหนอาจขราใจไหมใจของเราไม่มีวันตายเพราะเราใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจไม่ได้อยู่ในโลกกระาตใจอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายอยู่ในโลกกระธาตติดต่อกันด้วยวิญญาณวิญญาณคือกระแส จ, จิตที่ส่งมารับรู้ข้อมูลต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่ถ้าเย่าสมมติว่าคนตายนี่ก็คือใจเนี่ยไม่ได้ตายใช่ไคะอยู่ในโลกพิสแล้วตอนที่เรานอนหลับอะค่ะใจอยู่ในโลกพิสเหมือนกันมันมาตายอันหนึ่งก็ต่างตรงที่ว่าตอนนอนหลับมันไม่มีสติรับรู้เรื่องราวที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันหยุดทํางานชั่วคราวนอกจากอะไรที่มันกระทบแรงๆมันถึงจะมารับรู้เช่นปวดปสัปสสาวะเต็มที่นี้มันถึงจะตื่นขึ้นมา มืป่ปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ามันก็ตื่นตอนนั้นเพะวร่างกายมันเพลียมันอ่อนมันไม่อยากจะทํางานก็เลยต้องพักมันจิตก็เลยไม่มีสติรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ที่จะส่งมาทางตาหูจะบอกเรียนกายเอแต่พอตื่นขึ้นมาปั๊บมันก็รับรู้ทันทีพอมีสติปั๊บได้ยินเสียงก็ดูนาฬิกาดูเวลา คอามคิดปรุงแต่งก็ตามมาแลยห้วยหกโมงแล้วต้องรีบไปทำงานแล้วสังขารก็เริ่มทำงานต่อไปใจไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้ดื่มไม่ได้รับประทานกับร่างกายร่างกายเป็นผู้ดื่มรับประทานแต่ใจเป็นเพียงผู้สั่งให้ดื่มให้รับประทานใจเพียงแต่สัมผัสรับรู้ความรู้สึกจากการดื่มจากการรับประทานเช่นดื่มอะไรขึ้นมาก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ท้านั้นเองใจเสพเทเวทนาแต่ร่างกายเป็นตัวเสพอาหารเสพเครื่องดื่มอา่ใจเป็นผู้เสพความรู้สึกสุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาแล้วก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าสุขเเวทนาก็อยากจะให้มันสุขไป น, นานๆไม่อยากจะให้มันหมดถ้าทุกขเวทนาก็อยากจะให้มันหายไปเร็ว พอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ในอริยสัจสี่ขึ้นมาความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาพระเจ้าก็สอนว่าอย่าไปอยากมันสุกก็ปล่อยมันสุกไปมันทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปให้อยู่เฉยๆให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ขนาดไหนของร่างกายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะปวดจะทั่งขาดใจตายไปก็ไม่เดือดร้อน พวบคุมใจให้เป็นอุเบกขาได้ใจจะเป็นอุเบกขาได้ก็ต้องมีสติสมาธิปัญญานี่ถึง จ, พจะพระจาถึงทรงสอนให้เจริญสติให้มากให้นั่งสมาธิมาให้มากให้พิจารณาปัญญาให้มากเพราะจะเป็นเป็นเครื่องมือที่จะมารักษาใจให้เป็นอุเบกขาไม่ให้หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะความจริงใจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ใจไม่ได้อยู่ในจอภาพยนตร์คนดูไม่ได้อยู่ในจอภาพยนตร์แต่คนดูกับไปตื่นเต้นหวาดเสียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอภาพยนตร์ใช่ไหมเพราะความหลงคิดว่าตนเองอยู่ในจอภาพยนตร์ใจไม่ได้อยู่ในโลกธาตุนี้ใจอยู่ในโลกทิศเป็นงใดจะจะอยู่ในระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมอยู่ในนรกก็มีอยู่ในสวรรค์ก็มีอยู่ในพรหมโลกก็มี อยู่ในนิพพานก็มีก็เป็นใจอันเดียวกันนี่โลกทิศมีหลายระดับระดับสูงสุดก็นิพพานระดับต่ำสุดก็นรกเราวัดที่ต่ำสูงด้วยความทุกข์นรกนี่มันมากที่สุดมันถึงต่ำสุดน้อนที่สุดทุกมากที่สุดก็คือนรกเย็นมากที่สุดสุขสุขมากที่สุดก็คือนิพพานพระพุทธเจ้ากับพระสาวกงทั้งหลายจิตของท่านอยู่ในระดับนิพพานกัน จิตของพวกเราแต่ดูไม่มีวันสูญสลายจิตของพระุธเจ้าก็ไม่ได้สูญสลายก็อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันยงแต่จิต ท, ที่มีความสุขอย่างพระพุทธเจ้าเขาภาษาวอกวแล้วก็ไม่ต้องอาศัยมาเอาร่างกายมาหาความสุขพวกเรายังยังหิวอยู่ยังมีความอยากในรูปเศษกิริย์ลดอยู่เราจึงต้องมาเอาร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็เลยต้องมาทุกขกับร่างกาย ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายทุกกับการพัดทากจากันแต่ใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้หรือเสียแ ต, แต่อย่างใดได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเท่านั้นได้อะไรมาผ่านทางร่างกายพอร่างกายตายไปทุกอย่างที่ได้มามันก็หมดไปสิ่งที่ใจได้ก็คือปัญหามากขึ้นแลอน้อยลงท่างโง่ก็จะมีตัญหามากขึ้น มีตัญหามากขึ้นก็มีความทุกข์มากขึ้นทําบาปมากขึ้นใจก็ร้อนมากขึ้นถ้าฉลาดก็ทําบาสน้อยลงทําบุญมากขึ้นก็จะมีความสุขมากขึ้นความเย็นมากขึ้นความร้อนน้อยลงไปก็มีท่านเนี้ยสาหรับใจพระเจ้าถึงสอนให้ทําบุญละบาปเพื่อใจจะได้เย็นจะได้สงบจะได้มีความสุข แล้วถ้าชำละใจให้สะอาดตัดความอยากได้หมดก็จะได้ไม่ต้องมาหาร่างกายเป็นเครื่องมือความอยากนี้ทำให้เรายัางต้องหาร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่ยังอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตามีหูถึงจะดูได้ฟังได้เอาแล้วน่นเหนื่อยและวสองชั่วโมงแล้วคิดว่าขอเอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่คราวหน้า